หรือความริษยาและหึงหวงบ้างซึ่งล้วนเป็นอกุศลไม่ดีมีโรคไม่โปรง่งไม่สบายไม่เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสกะปัญหาสูตรแสดงกระบวนธรรมะอันหนึ่งว่าฉันทาหมายถึงตัณหาฉันทาคือตัณหานั่นเองนำไปสู่ปียะอปียะการแบ่งแยก เป็นที่รักที่ไม่รักนำไปสู่อิสามาชริยะความริษยาและหึงหวงในที่นี้แสดงถึงเรื่องดีงามสวยเพราะเกี่ยวกับชันทะตัณหาและเมตตาถ้าพบสิ่งไม่สวยงามอ่อนแอเป็นทุกข์เดือดร้อนป่ายกุศลก็จะเกิดกาุณนาป่ายอากุศลเกิดความดูถูกเยียดยามหรือความเกลียดชัง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 ตัวอย่างเทียบเมตตาเท่ากับอิตะสุขูปัญญากามตาความอยากหรือต้องการนำประโยชน์สุขเข้าไปให้ฉันทะาเท่ากับกัตุกรรมยตาเท่ากับกัตุกรามตาความอยากทำหรือต้องการทำแต่ข้อสำคัญก็คือฉันทะเป็นข้อธรรมะพื้นฐาน ที่มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องและใช้ในเรื่องทั่วไปส่วนเมตตาเป็นข้อธรรมะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์หรือเป็นไปในคนและสัตว์ทั้งหลายเรียกตามจำนวนบาลีว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์โดยที่เมตตานั้นและโพรหมวิหารอื่นอีกทั้งสางข้อมีฉันทะคือกัตุกรรมยตาฉันทะเป็นจุดเริ่มเป็นที่ตั้งต้น หรือเป็นตัวเริ่มการคำพีปร ม, มัธรมชุษาวิสุธทธิมักมหาดีกาท่านกล่าวไว้ว่าแม้แต่อุเบคาก็หาได้เรือดรังจากหิตะชันทะคือความต้องการประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นแต่ในกรณีนั้นการไม่ขวนขวายเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนดังมารดา วางใจคอยดูเฉยอยู่ในเมื่อบุตรตั้งใจทำกิจของเขาดีอยู่แล้ว